أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا دوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله و ح د ه لا شريك له الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله อัสลฮละลาฮฺรักม์มัตละลลลอาลามินดังที่เราได้ทราบในคัมภีร์อัลกุรอานว่าเาอุทิศบุญชีพแทนรัศมีแต่เราไม่ได้รับบุยชีพจากพระเาดันั้นเราจึงไม่ได้รับบุญชีกพระเจ้าดังนั้นเราจึงม่ไรับบุญชีพจากพระเ้าังนั้นเราจึง่งครับบุญชีพจาพระเจ้าังนั้นเราจึงด้บุญชีกรนั้ง่ไรับาพันั้งไรจระ สำหรับโปรแกรมนะครับโปรแกรมดีๆที่ถ้าพี่น้องสังเกตดูวันนี้อัลกุรอานก็ที่ผมนำมาเสนอก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็พร้อมความหมายพร้อมสีนะครับก็ขอบวลอลดต่อแทนนะครับอาจารย์ซารวารีด้วยดีนะครับดาซีนะครับผมก็เป็นผู้ที่ออกแบบดีไซน์โปรแกรมนี้มาแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งก็อินชาลอ้นนะครับคิดหวังว่าเร็วๆนี้น่าจะเปิดโอกาสให้พี่น้องท่านอื่นได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับผม อ่ะหมดช่วงโฆษณาครับเรากลับมาคุยกันต่อพีนัสที่นักครับในส ah ุรัตน์เป็นสุราต์ที่รวมเอาคำสอนเป็นูสุราต์ที่รวมเอาคำเตือนที่โปรแลสุภาตรานั้นได้เตือนสติให้แก่บรดามนุษย์เสียช้าโดยเฉพาะผู้ศรัทธานะครับหนึ่งในข้อแทจริงของมนุษย์ครับผม พเพราะว่าการเวันใดฝ่ามืออินทรีย์ถ้าไม่ตแต่ละหัวรับบุหรือัครมหูวานงามฝ่ายคูรูรับบีอัครแมนมนุษย์นั้นเมื่อผ้าผู้อภิบาลของเขาเนี่ยได้ให้ความปวดปานแก่เขาเขาก็จะบอกว่าไง น, นะครับพระเจ้านั้นให้เกียรติฉันแต่เมื่อไหรก็ตามที่พระองค์ลองให้เขาเกิดการสูญเสียซึ่งเป็นบททดสอบเช่นเดียวกันเขาก็จะมองว่าพระเจ้านั้นไม่ให้เกียรติฉันซึ่งในที่นี้ครับพระ่าบอกว่าไง น, นะครับ ที่ไม่ให้เกียรติน่ยไม่ใช่เป็นอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติพวกเจ้านะแต่เป็นตัวของพวกเจ้าเองที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นก่อนแล้วก็กระมาตดีนูตูดานคือสิ่งที่เจ้าหยิบยื่นให้กับผู้อื่นเนี่ยเจ้าหยิบยื่นอะไรให้กับใครเจ้าก็จะได้รับสิ่งนั้นเจ้าไม่ให้อะไรให้กับใครเจ้าก็จะไม่รับสิ่งนั้นโดยเฉพาะกับเด็กกำพร้าครับพี่น้องในเรื่องของเด็กกำพร้าเนี่ยครับถ้าเราดูในตัวบทมากมายครับซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับถึงเรื่องของ ความสําคัญแล้วก็การที่พวกลอสสุภาณุวตาให้ความสําคัญกับเด็กกพาพร้าพี่น้องที่รักยี่งครับบางท่านอาจจะถูกพวกลอสสุภาหนณุวตาทดสอบให้ต้องเจอบททดสอบนี้ก็คือเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าจะต้องเลี้ยงลูกที่ว่าเป็นลูกกพาพร้าพี่น้องครับบททดสอบนี้เป็นบททดสอบแห่งเกียรติยศเมื่อพวกล้อ บ, บอกในที่นี้ก็คือเขาคิดว่าล้อไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่าเลยทั้งหมดเพราะเขาไม่ให้เกียรติบุคคลที่เขาควรใช้เกียรติมากที่สุด เด็กกำพร้าเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่เราควรใช้เกียรติมากที่สุดถามว่าเพราะอะไรไม่ใช่คนใหญ่คนโตนะไม่ใช่คนรวยนะครับไม่ใช่คนระดับสูงไม่ใช่คนเบื่องบนไม่ใช่คนใส่เสื้อหรูๆแต่บุคคลหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มุสลิมเราให้ความสําคัญหรือให้เกียรติมากที่สุดก็คือเด็กกรํำรพร้าที่ไม่มีใครดูแลเขาเนื่องจากที่เรารู้สึกเหมือนเขาไม่มีแบกไม่มีอะไรให้ต้องสนใจแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในโลกเนี่ยเป็นเด็กกําพร้านะ ท่านเบียร์มัวร์มัสโอลล็องไฮเซลมท่านเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนถูกไหมครับผมแล้วท่านก็เป็นมหาบุรุษซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อลอรักมากที่สุดเป็นคนที่ดีสุดในโลกเช่นเดียว ก, กันกับผู้หญิงพี่น้องหนึ่งในผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็เป็นเด็กกำพราเช่นเดียวกันนานก็คือท่านหญิงมารยามครับท่านหญิงมัรย์เนี่ยครับผม ที่อกล่าวในคุรานนะครับอิสกาลติมรัตุอิมรนะรบีอินนมาฟบัีมุพรรอมตักบมินีมาวรกล่รับอินอุซอตกลุมิตอนซาีซทนีอหรีัน้องที่รักยิ้งครับท่านภรยาของอิมรอนที่บอกกล่าวในคุรานนะครับแม่ของท่านมารยเนี่ยตอนที่ นางตั้งคันเนี่ยสามีของนางได้เสียชีวิตซึ่งสามีของนางได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่รักในเรื่องการทำความดีแล้วก็ดูแลเด็กกําพร้ามาอย่างดีดูแลเด็กกาพร้ามาอย่างดีจำได้ใช่ไหมครับที่เราพูดกันในครั้งที่แล้วในตอนที่ผ่านมาหากเรากลัวว่าถ้าเราเสียชีวิตแล้วเราจะทิ้งทายาทเราไม่มีใครดูแลเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ดูแลทาติของคนอื่นที่เขาไม่มีใครดูแลเลยนะครับ ท่านอิมรอนเน่ยนที่มีชีวิตอยู่ในท่านก็รักในเรื่องการเลี้ยดูเด็กัมพ้าแล้วเมื่อตอนท่านเสียชีวิตไปใน ส, สภาพที่ลูกสาวตัวเองยังไม่ทันได้คลอดภรรยาของท่านก็เหนียดไว้ครับบนบานด้วยนะครับว่ายาวล้อขอให้ลูกสาวลูกของฉันเนีได้คลอดออกมาแล้วเป็นลูกชายบนบานขอให้ได้ลูกชายพอได้ลูกชายปุ๊บเขาจะได้อยู่ในสถานะเดียวกับพ่อของเขาเป็นคนดีเป็นผู้ที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดแล้วก็เป็นคนดีที่มาคอยช่วยเหลือผู้อื่น ก็คือคนเป็นแม่เนี่ยก็มีอิมานแล้วก็ขอดูอาตั้งแต่ลูกอยู่ในครันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฮิกมากนะครับที่ว่าอยากจะขอฝากไว้บรรดาบแม่บ้านนะครับผมมุสลิมนะที่ว่าตอนนี้กําลังตั้งครันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือริสกีแล้วนี่คืออามานะแล้วก็อย่าลืมคราว่าดูอาให้ลูกของเราเยอะๆนอกเหนือจากริสกีนอกเหนือจากให้เขาเป็นคนหลอ่อคนรวยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะได้อย่าลืมสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือต้องให้เขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮนะฮูวาตาละอันนี้ สำคัญมากมครับผมโอพี่วันีสลามมานะครับวันคุณสลามตบบัวละว่าบาร์การดูอ่าเรียนตามตรงนะครับพูดตามตรงผมไม่คิดว่าจะมีพี่น้องสะดวกและฟังช่วงเวลานี้นะครับว่าผมดันมาซะช่วงอัสลี่เลยนะครับผมส่วนบบเป็นเวลาที่ไม่ค่อยจะว่างกันก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมหวังว่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยกันอีกเชียวและทั้งตัวผมเองแล้วก็ตัวพี่น้องแล้วก็รวมทั้งพี่น้องที่มารับชมทีหลังครับผม ก็ไหวตลาอับตัวลอ บ, บ่าวประกาศดครับกลับไปพูดประเด็นของท่านหญิงมัรยัมครับผมก็คือตอนที่นางอยู่ในคันมันดาเนีแม่ก็บนบานว่าเนยว่ายาวแล้วขอให้เด็กคนเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าแม่เศร้าแม่อะไรก็จริงแต่นางก็ إ ي م านไม่ได้หายไปเลยนางบนอีกตั้งหากครับว่าขอให้ลูกคนนี้ออกมาเป็นลูกชายเพราะว่าถ้าเป็นลูกชายเนี่ยจะได้ให้เขานั้นทํางานศาสนาให้เต็มที่เลยเหมือนกับพ่อที่จากไปแล้วของเขาซึ่งเมื่อถึงเวลาครับสิ่งที่ พลอล็กกำหนดไว้ย่อมเป็นไปตามนั้นเมื่อถึงเวลานางคลอดออกมาปุ๊บนางก็พบว่าอา้าวได้ลูกสาวนี่ไม่ใช่ลูกชายนางทำํำยังไงครับนางไม่ใช่แบบคนที่บนบานแล้วขี้เหนียวนะพี่น้องท่นานอบีมอสลรสลัมบอกไว้คนที่บนบานที่ขี้เหนียวนะครับในความหมายก็คือคนที่ถึงเวลาบนปุ๊บพอไม่ได้เขาก็ไม่ทําตามที่บนเหมือนกับเราว่อยา่าเอาล็อกถ้าเกิดให้ฉันได้งานนี้นะฉันจะถือสิทธิ์สามวันติดกัน พอถึงเวลาปุ๊บไม่ได้งานนี้อ้าวรออลาวรอไม่ให้ฉันฉันก็ไม่ถือสินอดอันนี้เรียกว่าเป็นการบนบานแบบคนขี้เหนียวพี่น้องบนบานทําได้ในอิสลามการบนบานนั้นทําได้ในอิสลามก็คือเราอยากได้เลยมากๆแล้วเราก็ขอต่อล็อยาวล็อกขอให้ได้เถิดถ้าฉันได้มาฉันจริงเป็นบาปที่ดีแต่สําหรับมุสลิมนะครับถ้าเราบนบานได้ไม่ได้เราก็จะทำเพราะเรารักกันล็อกอย่าท่านเป็นคนหัวหมอนะครับผมอย่าท่าเป็นคนหัวหมอ คนบางคนหนักกว่านั้นครับหัวหมอคือบนบานว่าขอให้ได้เถิดเหมือนกับพ่อแม่บางคนที่พ่อากลับในครรา์ครับตอนที่เริ่มตัง้งครรภ์ปุ๊บกับบนบานแล้วแล้วหากเขาหากพ่องให้เขาเป็นคนที่ดีครอบมาครบสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยเราจะเป็นบ่าวที่ดีพอถึงเวลาปุ๊บคลอดมาปุ๊บลืมที่เคยบนบานอันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับผมแปลว่าในเรื่องของบนบานมีอยู่มระดับนะพี่น้องระดับแรกก็คือบนบานแบบผู้ศรัทธา เราอยากได้เลยมากๆเราบนบาลขอต่อเลาะยาวเลาะถ้าฉันได้สิ่งเนี้ยฉันจะทําสิ่งนี้ต่อให้ได้หรือไม่ได้เราก็จะทําอันนี้คือบนบาลแบบผู้ศรัทธาบนบาลแบบที่สองก็คือบนบาลแบบบนขี้เหนียวได้ฉันถึงจะทําไม่ได้ฉันก็ไม่ทําอันนี้คือบนบาลแบบขี้เหนียวบนบาลแบบที่สครับบนบาลแบบคนที่เลวร้ายเลยต่อให้ได้เขาก็ไม่ทําพี่น้องเราเลือกทางเดียวนะ ถ้าพี่น้องจะบนบานน่ยบนบานได้อิสลามไม่ได้ห้ามแต่พี่น้องให้ตั้งใจไว้เลยว่าได้ไม่ได้ฉันก็จะทําเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่อาล้อยหยิบยี่นให้กับฉันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันดีกว่าสิ่งที่ฉันเลือกแน่นอนครับผมครับคุณาสยายรดสละมานะครับวาริกุลสุลามุตุลลอฮฺวะบาริกาตูเชิดกุมซาราจันทระตนะครับก็ ส, าา ล, กสละม า, า น, นะครับวารุลสลามุตุลลอฮฺวะบาริกาตูเจซากุมละคานครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการบนบานที่ว่า แม่ของท่านหญิงมัตยามเนี่ยบนบานไว้ตอนที่นางคลอดลูกสาวมาซึ่งพอคลอดพบเป็นลูกสาวปุ๊บนางก็ทํทาตามที่บนบานก็ขอส่งให้เป็นผู้หญิงที่ว่าได้อยู่ในมั ส, สยิดอย่างน้อยก็ได้ทําในส่วนที่นางทําได้จะเป็นการําความสา ร, รมสัทธามัสยิดหรือช่วยอะไรที่พอจะช่วยได้ซึ่งผลพวกวรากล่าวว่าครับฟาตากบบัลฮารบูฮาบิกรบูลินฮัสซานวอัลบัตฮานบาตันฮัสเนในที่นี้นะครับผม ถ้าเราดูในสโลมารยัมพี่นอ้องหลังจากที่ท่านหญิงคลอดท่านหญิงมาร์ยัมออกมาท่านบอกว่าไงครับฉันขอตั้งชื่อลูกคนนี้ว่ามาร์ยัมว่าอินนีอยูทูฮาบิแกวตุรยตาหามเนชตอนเรจีนแล้วฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ช่วยคุ้มครองเธอแล้วก็ลูกหลานของเธออย่าให้ชัยตอนมาทำลายได้ซึ่งพวกลอคก็ตอบรับการขอของ แม่ของที่หญิงมัตย์ามหัวใจที่บริสุธทธิ์ทําตามที่บนบานถึงแม้ว่านางจะไม่ได้ในสิ่งที่นางบนบานน้นก็ไม่ผิดหวังแต่านางก็ยังยึดมั่นต่อรอแ ล, แล้วขอที่ว่าจ่าอ๋อที่วว่าอ๋อขอช่วยคุ้มครองลูกสาวของฉันกับโมบนานของเขาซึ่งพลอ้อก็ตอบรับครับญิงมัตย์ยามพลอ้อปกป้องคุ้มครองให้รอผนจากชัยตอนถึงนางจะถูกกระสอบหนักแค่ไหนก็ตามอีมานั้นไม่เป๋นางก็เสียชีวิตในสภาพบ่าเที่ยมรอรักแล้วลูกของนางใครนะครับนบีไอสาคนยดีที่สุดอยู่แล้วหนึ่งในคนดีที่สุดในอุลุลอัมี เพราะนั้นอย่าลืมดูอาดีๆครับคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นลุงป้านะอาถ้าเกิดว่าจะมีหลานอย่าลืมดูอาเผื่อให้ลูกหลานเราด้วยครับผมกลับมาประเด็นของเราครับเราคุยว่าไ ง, งนะครับผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าประเสริฐที่สุดในโลกคนหนึ่งเนี่ยนางก็เป็นเด็กกพาพร้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับหากใครอยากได้เกียรติยศจากกัลยาเขาจงให้เกียรติแก่เด็กกพาพร้า แล้วถ้าบ้านเดกก็ตามให้การต้อนรับขับสู้เด็กกาพ้าให้การช่วยเเด็กกำพ้าบ้านนั้นมีบารกาแน่นอนครับผมบ้านนั้นได้รับเกียรติจากพวกลัทธิพห า, า, าหนุวัตลาแน่นอนขอให้เรามีเจตนาที่บริสุทธิ์แต่ระวังนะครับใครก็ตามที่ช่วยดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยก็ต้องระวังจิตนาแล้วก็ระวังพฤติกรรมด้วยเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผลประโยชน์เข้ามาเนี่ยแล้วเราเผลอหลุดไปกับเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยบททดสอบก็รุนแรงนะครับบททดสอบก็รุนแรง บุลักษมีาได้ก่าวต่อมานะครับหลังจากที่พระองค์กล่าวว่ากันละบัลเลตุครีมูลอนลยาติมบุญลกษม์ก่าอย่างไครับผมวละตาฮัดูนะอาลาตัอามิลมิสกินและเช่นเดียวกันครับพวกเจ้าก็ไม่ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอาหารผู้ที่ขัดสนพวกเจ้าก็ไม่ส่งเสริมการเลี้ยงอาหารของผู้ที่ ขัดสนครับผมวลาตาฮาดูน่าและต่ออามิลมิสกินในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องอาหารแก่คนยากคนจนหรือว่าคนขัดสนเราจะพบว่าอิสลามเนะี่ยให้ความสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะการให้ความช่วยเหลือคนเดือดร้อนนั่นก็เท่ากับเรา ขอให้บัวล้อให้ความช่วยเหลือเราด้วยเพราะนั้นพี่น้องที่รักการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นขอให้เราคิดไว้ในใจตลอดเวลานะการให้ที่เราให้ความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราอยากแจวล้อให้ความช่วยเหลือเราพี่น้องคิดอย่างนี้ให้ได้ที่เราให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรแก่เขามากมายเลยแต่เป็นเราเองที่ได้รับความช่วยเหลือจากบัวล้อสุภาวัลลามากมายมหาศาลมากกว่ามากกว่าที่เราช่วยเขาซิอีก เพราะฉะนั้นอยากให้อัลลอฮ์ช่วยเราจงช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนแล้วพวกองจะช่วยเหลือเราตอนที่เราเดือดร้อนเหมือนกับที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลามบอกว่าไงครับจงคิดถึงอัลลอฮ์ตอนที่คุณมีความสุขแล้วพวกองก็จะคิดถึงคุณตอนที่คุณมีความทุกข์ไม่ใช่ไปถึงเวลาทุกข์แล้วถึงจะมายกมือดูอาถึงเวลาทุกข์แล้วถึงจะช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่ตอนเรายังมีความสุขตั้งแต่ตอนที่เรายังมีความสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนครับแล้วถึงเวลา เราจะได้รับสิ่งนั้นมากกว่าที่เราหยิบยื่นให้กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นมีแต่ดีครับมีแต่ข้อดีมีแต่ข้อดีซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยท่านอบีมูฮัมมัดสุลต์อัลสลามได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าหนึ่งในบุคคลที่ดีที่สุดคือบุคคลที่ยังประโยชน์กับพี่น้องของเขามากที่สุดหรือบุคคลที่ยังประโยชน์กับมนุษยชาติมากที่สุดเช่นเดียวกับในช่วงแรกครับที่ท่านอบีมูฮัมหมัดสุลต์อัลสลามท่านได้ทำการเผยแผ่ศาสนาพี่น้องจำฮะดิษที่ม เ uh อ๋อฮะน้าอัชุสซาลามะว่าตัม์ตามะวัซัลลุลบิลไลลวัลนาสนยมนดชลันะบิลซลามนเรื่องของม ي م ا ن ทีมรื่ครับจากท่านอับดุลลอฮบิณสลามท่านนาบีกล่าวว่าไงนะตอนที่ท่านนาบีเผยแผ่ท่านบอกว่ามนุษย์เอ๋ยผู้คนเอ๋ยบรรดาผู้คนทั้งหลายจงให้ความปลอดภัยแก่กันและกันให้มากๆอับชุสซาลามให้ความปลอดภัยแก่กันและกันให้มากๆ ว่าอาจจะมุดตอแอมแล้วก็จะมีการให้อาหารกันและกันเมื่อท้องอิ่มจะเกิดความปลอดภัยจะเกิดความสุขความสดในชีวิตว่าซลูบิไลลีวานาซุนิยามแล้วก็ตอนกลางคืนก็ลุกมาละมาซี่พวกคุณจะได้เข้าสวรรค์แบบปลอดภัยเข้าสวรรค์แบบไม่ต้องผ่านการถูกลงโทษไม่ต้องโดนสอบสวนหนักหนักไม่ต้องไปเจออะไรในหลุมฝังศพหรือในไฟนรกพระเนบีบอกเง่ า, งายง่ายๆ3ข้อ อัชุดซาเลมให้ความปลอดภัยกันและกันอัตยุตตานัตมุตตานให้อาหารแก่คนที่เดือดร้อนววซลูบินไลหีให้สิทธิ์กับพ่อรัชเชนเดียวกันก็ต้องมีการละหมาดนอกจากละหมาดฟัดดูก็ต้องมีเรื่องของละหมาดซุนนะต้องมีเรื่องของการละหมาดเตียมมุนเลนยตียมข้ า, ข า, ขามปืน ด, ด้วยถ้าเดือดรุนจัญญุตาบิศาลามเราก็จะได้รับสวรรค์ครับเป็นการตอบแทนอย่างปลอดภัยพี่น้องมีใครอยากเข้าสวรรค์แบบลำบากมั่งเอาพูดกันตรงๆ ทุกคนครับเหมือนกันครับถ้าเราจะได้สวรรค์ก็อยากข้านแบบปลอดภัยอยา่างนี้ใจดีก็คืออยากผ่านสะพานซีรอสแบบไปแบบเร็วๆ เ, เลยไม่ต้องทําไม่ต้องทรามานไม่ต้องลําบากถ้าไม่อยากทรามานไม่อยากลําบากจงช่วยเหลือผู้ที่กําลังทรามานจงช่วยเหลือผู้ที่ลําบากซะก่อนแล้วพระเจ้าก็จะช่วยเหลือเราครับใช่ไหมแต่ดีนุตู น, นันคุณหยิบยื่นสิ่งใดก็ตามให้ผู้อื่นพระเจ้าก็จะหยิบยื่นให้แก่คุณ บารักลัลลอฮฺพี่กูจะแจ้งกลับกันครับคุณสวัยสลามานะครับวันคุณสลาหมดตุววลาบ่าวบารักาดุ้งครับผมแล้วก็พี่น้องที่สลามาถ้าผมไม่เห็นข้อความขอมาพี่น้องที่รักทุกท่านมาด้วยครับผมอ่นนาจจอนต่อบารักลักลลอฮฺพีก่กมอินชาอัลลอฮฺฮามิบะแล้วเวลาทานดูน่าละตามหนุ่มสกีนพี่น้องที่รักยิ่งครับในเรื่องการให้อาหารเนี่ยบางคนบอกอาจารย์เนี่ยฉันเองก็ไม่ฝ่าจะมีกินหรือฉันเองก็ยังไม่ฝ่ามีเงิน พี่น้องที่รักพวกเราใช้คําว่าอะไรครับในอักขราะเนี่ยพวกเราไม่ได้ใช้คําว่าเขาไม่ได้ให้อาหารนะแต่พวกเราใช้คําว่าเขาไม่ได้ส่งเสริมในการให้อาหารแก่คนขัดสนพี่น้องพวกเราขอแค่อะไรให้ไม่ได้ก็ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเดือดร้อนแล้วรู้ว่าใครมีความสามารถแล้วก็เป็นตัวการได้ เนี ira, ่ยทำดีแล้วร้อยริสกี้คนณดีนะคุณมีอาหานะดูคนนั้นเขาเดือดร้อนคุณช่วยเขาหน่อยไหมฉันอยากช่วยแต่ฉันเองก็ไม่มีกินแต่ฉันไม่ขอให้กับตัวเองนะฉันขอให้คุณไปช่วยเหลือเขาขออนร้อยเมตตาคุณแค่การส่งเสริมพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องยากแค่เราพูดแค่พูดใครก็พูดได้ถูกไหมครับเด็กก็พูดได้ผู้ชายพูดได้ผู้หญิงพูดได้ผู้ใหญ่พูดได้คนแก่พูดได้ทุกคนพูดได้หมดพี่น้องต่อให้เป็นคนใบ้กับภาษาใบา้ก็ได้ก็ บ, บอกสุนทร n a s ์เนี่ยขอมีกินให้กับคนนั้ น, น, น, นหนนน่ออคเดืร้ เพราะในกุฎานข้ยานนี้ครับพวกเราบอกแนวทางที่ง่ายที่สุดแล้วที่ไม่น่าจะมีใครที่ทําไม่ได้แล้วอ่ะพี่น้องแค่ส่งเสริมให้มีการให้อาหารกันและกันเราทําไม่ได้เราก็ไปพูดกับคนที่เขาทําได้หรือเราก็ช่วยกันเป่าประกาศอ่าช่วยกันมาเลี้ยงอาหารกันหน่อยนะมีคนเดือดร้อนนะมีตรงนั้นเขาเดือดร้อนนะตอนนี้มันช่วงน้ําท่วมนะนิมพิชคช่วงของโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจกําลังลำบากนะเอามีการระดมมีการอะไรเพื่อ เอาอาหารให้กับคนขัดสนแล้วให้ถึงมือคนขัดสนอย่างแท้จริงด้วยกับเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ได้อุดไม่ได้ดไไดที่จะโอ้อวดอะไรนี่คือหนึ่งในการงานที่พ่อลรักมากๆพี่น้องที่รักยิ่งครับคนเป็นจํานวนไม่น้อยเนี่ยอะไรที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเขาจะไม่ค่อยความสําคัญเขาจะสนแต่นับซีนับซีตัวฉันฉันจะเอาตัวฉันเองให้รอดฉันจะเอาตัวฉันเองให้รอดซึ่งหลายๆครั้ง คำว่านับซีในนับซีในที่เนี่ยที่ว่าฉันเจ้าตัวฉันให้รอดตัวฉันให้รอดเนี่ยมันถึงขั้นว่าเขาไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าจะทําให้ใครเดือดร้อนคือแค่ไม่ไปดูแลคนอื่นอันนี้ก็หนักแล้วนะพี่น้องไม่ไปดูแลพี่น้องของเขาที่กําลังเดือดร้อนเน่ะอันนี้ก็หนักแล้วแต่อันนี้คือไม่ดูแลไม่พอกับเลือกใช้วิธีที่ไม่ดีในการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพราะเราบอกว่าวไงครับ เพราะกล่าวไว้ในอายะต่อมาครับว่าวะจะกูรูนะตัวรอสอะคัลลัมมาแล้วพวกเจ้ายังหาทางให้ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่เลือกวิธีการอตูรอสในที่นี้หมายถึงทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาลแล้วก็สามารถแปลว่ามรดกได้เช่นเดียวกันเพราะกล่าวไว้ครับไม่ส่งเสริมเด็กกำพร้าไม่ให้เกียรติเด็กกำพร้าไม่พอไม่ส่งเสริมการเลี้ยงดูอาหารคขัดสนไม่พอ ตัวเองเนะี่ยสนแต่ตัวเองแล้วก็อยากได้เงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้เรื่อยๆวัตตกูรูเนีตัร้อนทำการกินแบบกินทรัพย์สินที่มหาศาลกินแบบรวดเร็วกินแบบมุมมามพี่น้องสังเกตไหมเวลาคนงกทั้งหลายเวลาใช้ทรัพย์สินนี่คือเขาใช้แบบฟุ่มเฟือยสุดๆแล้วเวลากินเขาก็กินมุมามบางครั้งไม่ต่างอะไรกับสุนัขไม่ต่างอะไรกับสุกรรีบกินพเพื่อให้เราได้เห็นคุณลักษณะของคนเหล่านี้ หรืเวลาพอมีจะมาคนคนยากจนจะมาขอหาสักหน่อยนี่คือห่วงเห็นยิ่งกว่าสุนัขห่วงแก๊งเขาไม่ได้ทําร้ายใครนอกจากตัวเขาเองวาตากรูเนตตูโรสะอัคคันลัมมากินเยอะกินเร็วกินแบบไม่สนใจใครแล้วก็พี่น้องที่รักกินครับการกินในที่นี้ก็กินอย่างอาธรรมถ้าเราดูครับคนในอดีตการพี่น้องไปดูแทบจะทุก ที่ทั่วโลกเลยนะครับผมที่อาหรับก็มีที่อินเดียก็มีที่จีนก็มีที่ยุโรปก็มีแทบจะทุกที่ทั่วโลกในอดีตครับเขาจะทำในเรื่องของทรัพย์สินโดยเฉพาะในเรื่องของมรดกถ้ามีการเสียชีวิตปุ๊บผู้อื่นไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะครับพี่น้องในอดีตแล้วดูหลายๆที่เลยเหมือนกันจะเป็นไทยจะเป็นอินเดียจะเป็นยุโรปจะเป็นจีนจะเป็นอะไรอาหรับเหมือนกัน ถึงเวลาปุ๊บเขาบอกอ่ะผู้หญิงเจ้ทรัพย์สินไปทำไมเดี๋ยวก็ออกเรือนไปแล้วไม่ต้องให้เช่นเดียวกันกับถ้าเป็นเด็กกำพร้าอ่ะไม่มีพ่อดูแลมาแล้ ว, ลวนี่เงินทรัพย์สินก็ยักยอกก็โกงมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการกระทาแบบนี้อยู่และยึงอยู่ในกลุ่มของคนที่อ้างว่าเป็นมุสิมด้วย คือเพราะผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครบางทีนะ่ะเข่งบางคนนี่คือเหมือนกับแบบว่าเป็นมุนตะวะบางคนสุดโตงในเรื่องศาสนานี่คือหกกลมป้งป้งแป้งแป้ ง, ปงพอเรื่องทรัพย์สินปุ๊บจะกินฮารอมแค่ไหนตัวเองไม่สนบางทีค่าขายตัดหน้าบางทีไปโกงบางทีหลอกลวงบางทีทรัพย์สินของคนอื่นถ้าโกงมาเป็นของตัวเองจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ทําได้ผลประโยชน์มันน่ากลัวครับไม่เข้าไม่เข้าใครออกใครจริงๆซึ่งพี่น้องที่รักเนี่ยครับคนในอดีตเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นเด็กกำรรพร้าอย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่คนเป็นญาติเนี่ยก็จะโกงก็จะยักยอกออกมาเป็นของตนเองถ้ายักยอกออกมาเป็นของตนเองไม่ได้เฉพาะคนตัวเองไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดเขาทํายังไงครับถ้าเด็กกำพร้าเป็นผู้หญิงรอให้โตมาแล้วก็จับแต่งงานบังคับแต่งงานเพื่อจะเอาทรัพย์สินของนางซึ่งมีตั้งแต่ในอดีตแล้วมิงแต่นอดีตครับ พอละสวัสดิลก่าวในคุรานครับผมวจะสับในกาฟินีซ่โคลิลลาฮุฟตีกุมฟีหินน่าวมาจุตลอเลิกุฟิลกิตาฟียะตามะนีเซ่ัลลาตีลาตุตูนหุนมากุติบลาหุนว่าตระบูนันตังกิหุนัลมุสตาดาฟีนันัลัลดาริันัตคูมัลัตมาบัลัสันัตฟรุบัลัลิฟินัลลานับีัลีมาพราะก่าในกุรานครับว่าเขาจะมาขอให้เจ้าตัดสินในเรื่องของผู้หญิงจงบอกไปเลยว่าราจะตัดสินให้ <c oughs> ในเรื่องของผู้หญิงเน่ที่เจ้าไม่ยอมให้ให้มาฮัดกับนางคือพวกเราบอกคือบางคนแต่งงานโดยไม่ให้มาฮัดด้วยซ้ำสัญญาว่าจะให้เราไม่ให้พวกเราถือว่าไงครับเป็นสิ่งที่ฮารอมในขณะที่บางคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วเจ้าจะไปฝืนนางมาทำการแต่งงานเพื่อที่เจ้าทรัพย์สินของนางพวะราบอกว่าไงครับจงมีความยุติธรรมพี่น้องคาว่าเด็กกาพร้าเนี่ยผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันนะ ผู้ชายจะเป็นเด็กกำพร้าจนกระทั่งเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคือหลังจากบรรลุศาสนาภาวะไปแล้วและสามารถยืนหยัดได้ได้ด้วยตัวเองเราจะไม่เรียกว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วตรงข้ามกับผู้หญิงครับผู้หญิงจะยังคงเป็นเด็กกำพร้าจนกว่านางจะแต่งงานหมายามว่าผู้หญิงคนใดก็าตามที่พ่อคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่นางยังเยาว์อยู่ แราบใดก็ตามที่นางยังไม่แต่งงานนางยังถือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพราะเราเข่าเรื่างในเซอร์นิซานี่แหละหรครับว่าอันตะกูมูลิยาตามาบิลลิสในขณะเดียวกันเขาไม่ใช่ครัว่าฟิยาตามานิซาเพราะเราได้ตัดสินกับพวกเจ้าเลยนะเกี่ยวกับเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงที่เจ้าจะแต่งงานด้วยถ้าจะแต่งงานด้วยนี่พวกเราใช้คำว่าครับนิซาไม่ได้ใช่คําว่าบานัตบานัตแปลว่าเด็กสาวนิซานี่คือเป็นผู้หญิงที่โตแล้วแต่พวกเราใช้คําว่ายาตามา เพราะฉะนั้นผู้หญิงอะครับยังไงก็ต้องมีคนดูแลมีคนปกป้องเพราะนั้นถ้านางเป็นเด็กกำพร้านางจะยังเป็นเด็กกำพร้าต่อไปเรื่อยๆจนกว่านางจะแต่งงานแล้วท่านางเสียชีวิตไปแล้วนางจะกลายเป็นไม้ถูกไหมครับไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายเวลาที่คู่ครองเสียชีวิตเนี่ยผู้ชายก็หลันแลก็ไปแต่งงานใหม่ได้เลยแต่ผู้หญิงพอเสียชีวิตไปปุ๊บก็จะถูกตราหน้าด้วยกับคําว่าแม่ไม้ซึ่งฮูกูแม่ไม้กับพ่อไม้ไม่เหมือนกันอย่างที่พวกเราทราบกันดีเพราะฉะนั้นครับเรื่องของ การบริโภคทรัพย์ ส, สินเนี่ยระวังให้ดีภาษิตอิสลับเมื่อก่อนถึงขั้นเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าอินนัมัลอัมวาลูลีม ah ัยยะมิลทรัพย์ ส, สินนั้นจะเป็นของผู้ที่ถืออาวุธทรัพย์สินจะเป็นของผู้ที่ถืออาวุธหรือผู้ที่มีความสามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินได้เท่านั้นพูดกันขนาดนี้คือถ้าคุณไม่มีความสามารถจะปกป้องทรัพย์สินคุณได้ทรัพย์สินนั้น อาจจะเป็นของใครก็ได้คุณจะโดนยึดคุณจะโดนทำร้ายคุณจะโดนฆ่าคุณจะโดนโกงเมื่อไหร่เป็นไปได้ทั้งนั้นซึ่งพระว่าบอกว่าวัทะโคดูเนตตูรอสะอักคาเลมานี่แหละคือมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วอนาคตจะเป็นแบบนี้เรื่องของทรัพย์สินไม่เข้าใครออกใครแล้วเขาก็จะหาทุกวิถีทางมาเพื่อใช้ใได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยไม่สนว่ามันจะฮาลาลหรือจะฮารอบาคนก็บอกว่าฉันค่อยไปตาบาสเดี๋ยวฉันค่อยไปทําฮัทแล้วเตาบาสทีเดียว บางคนคิดแบบนี้จริงๆซึ่งอินนาอิลลาฮิว่าอินนาอิลลาฮิรอเนครับผมก็วันนี้ครับพูดคุยกันข อ, องปากของคอแล้วก็หวังว่ า, าพวกเราทุกคนจะได้ประโยชน์และได้ข้อคิดครับในเรื่องของทรัพย์สินต้องหามาอย่างฮ า, า, าลานใช้ไ ป, ไปอย่างฮาลานแล้วก็อย่าได้ไปโกงใครอย่าลืมนะครับมุสลิมเรานั้นเลือกมีชีวิตอยู่อย่างราชสีที่อดอยากมากกว่าจะเป็นสุนัขจรจัดที่มีกินอิ่มหนำสาราน เพราะว่าดุนยามันเป็นเพียงแค่บททดสอบมันเป็นทางผ่านแล้วถึงเวลาความผาสุกที่แท้จริงนั้นรออยู่แก่บรรดาผู้ที่มีความอดทนครับผมธุรกิจดิสักสามมานะครับก็วันนี้ก็มสลามตุลลอห์บาอฺอักากาตูขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ท, ที่เข้ามาสลามแล้วก็เข้ามาร่วมกันแล้วก็ให้กำลังใจนะครับผมพี่น้องที่รักยี่ิงครับอัลกุรอานนั้นพื่อลบประทานมาเพื่อเป็นทางนำเพื่อเป็นแก้วตาดวงใจให้กับพวกเราเพื่อเป็นความเขียวชุ่มในหัวใจของพวกเรา เวลาอ่านอัลกุราอานอ่านให้ได้ประโยชน์อา่านให้ได้สาระจริงๆแล้วก็ไข่ควรเถิดเพราะการไข่ควรนั้นจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ศรัท ธ, ธาครับผมขอโดาจากพระลอสุภาน ห, หัวตาให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้รับฟังจากสันธรรมแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็ได้เชื่อฟังขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่เห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดได้ออกห่างจากมันขอให้เราเป็นหนึ่งกลุ่มชนที่เห็นสิ่งที่ถูกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องนั้นขอให้พวกเรามีชวิตอยู่ในสภาพของผู้ัทธา ขอให้เราเสียชีวอยู่ในสภาพของผู้สัทธาขอให้เรานั้นอย่าได้อาทธรรมต่อผู้ใดแล้วก็ขอให้ผู้ใดนั้นอย่าได้มาอาทธรรมจนทำให้เราสูญเสียตัวตนในการเป็นมุสลิมของเราด้วยเถิดอามิลครับอะกูลุกะลิฮะดะวาสักุลลอฮ์ลิเบลักุมมุสลิมินะมินกุลิดะวาสักฟิรุอินุวาลกุฟุรีซุมานัลลอฮ์มัฮัมดิกะอัลฮะดุอัลลาฮีลาอิลันตะสักุลกาวตูบุไลครับซุลลามิลกุมวะรับตุลลอฮฺวะบารักาตูครับ